สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าวันจันทร์ผมอยากจะสรุปชีวิตของเยลโลโบอัมให้กับพี่น้องฟังก่อนที่จะผ่านเข้าไปพี่น้องครับเราจะเห็นว่าในพระธรรมหนึ่งพงกษนี้พระคัมภีร์พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ให้เราได้มีโอกาสเรียนรู้จากชีวิตของกษัตริย์ทั้งหลายเราพบ ว, ว่าตั้งแต่ ซาอูลดาวิดโซโลมอนเรื่อยมาจนทั้งถึงเยโรบอัมและเลหโ์โบอัมเยโรบอัมนั้นแท้จริงเป็นกษัตริย์ที่มีความสามารถนะครับเพราะว่าเขามีบุคลิกพิเศษอยู่บุคลิกพิเศษของเขาคืออะไรครับคือเขามีความเก่งคือเป็นทหารที่กล้าหาญมากในเวลาเดียวกันครับเก่งจนโซโลมอนซึ่งเก่งกว่านั้นเห็นความสามารถ ก็เลยเรียกใช้ครับกษัตริย์โซโลมอนก็เรียกใช้เยโรอัมแต่งตั้งเขาให้เป็นหัวหน้าคุมแรงงานนะครับคุมแรงงานหมายความว่าเป็นพวกงานโยธาทุกอย่างเลยนะครับทำให้แผ่นดินกษัตริย์โซโลมอนนั้นได้เข้มแข็งเป็นปัจจัยที่โซโลมอนนั้นมีความภาคภูมิใจเยโรอัมในขณะเดียวกันครับ พระเจ้าเองก็ให้โอกาสเขาใช้เขาเหมือนกันกษัตริย์อียิปต์ก็สนับสนุนเหมือนกันครับแล้วก็ประชาชนก็สนับสนุนรอบตัวของเยรโบอัมนั้นเนื่องจากเขาเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนเก่งพระเจ้าให้โอกาสผู้คนก็ยกย่องผู้คนก็สนับสนุนแต่ในที่สุดครับเยรโบอัมนั้นก็พลาดไปเราจะดูกันครับว่า เยเรามันพลาดยังไงครับเดิมทีถ้าเขาเชื่อฝังพระเจ้าเป็นคนดีพี่น้องครับผู้นําที่ดีก็ย่อมให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศชาติให้กับประชาชนของตัวเองให้กับครอบครัวให้กับชุมชนของตัวเองแต่เยเรวามไม่ใช่เยรรวามนั้นกลับกลายเป็นผู้นําแม้ว่าพระเจ้าสนับสนุนประชาชนสนับสนุนกษัตริย์โซโลมอนสนับสนุน แต่เมื่อเขาได้ขึ้นมาเป็นผู้นําแล้วเขากลายเป็นผู้นําที่ชั่วร้ายครับและนําประเทศชาตินำประชากรของเขานั้นไปถึงความพินาชล่มจมและความพินาศล่มจมนั้นก็เริ่มต้นจากการที่เขาไม่เชื่อฝั่งพระเจ้าแท้จริงแล้วชื่อของเยเรโบอมนั้นมีความหมายที่ดีนะครับในภาษาฮีบรูแปลว่าเยเรเบอมั้แปลว่าประชาชนพอใจและเป็นสุขนะครับ ประชาชนพอใจและเป็นสุขในพระคัมพีเดิมเราพบกษัตริย์2องค์ครับชื่อเยโรบอมเยโรบอัมที่เป็นผู้ช่วยของโซโลมอนนะครับชื่อจริงๆแล้วเรียกว่าเยโรอัมที่1ครับนะเขามาจากเผ่าเอเฟราอิมแต่ว่ามีเยโรบอัมอีกคนหนึ่งครับเรียกว่าเป็นเยโรบอัมที่2เยโรบอัมที่2นั้นเป็นโอรสของกษัตริย์โยอาส ซึ่งเราจะได้พูดถึงเขาในวันต่อๆไปเราจะพบชื่อของเยอรามที่สองนั้นในพระธรรมสองพงกษัตริย์บทที่พี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นเยอรามไหนก็ตามครับจะ1หรือ2ก็ตามทั้ง2คนนครับก็เดินตามรอยเดียวกันครับก็คือไม่เชื่อฝั่งพระเจ้านำประเทศชาติเขาตกต่ำตกต่ำทั้งด้านจิตวิญญาณครับเมื่อประเทศชาติตกต่ำทางจิตวิญญาณ ในที่สุดไม่ว่าเขาจะรุ่งเรืองทางฝ่ายกายภาพรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจยังไงก็ตามนะครับก็อยู่ต่อไม่ได้หมายความว่าคืออะไรครับประเทศชาติก็อยู่ต่อไปไม่ได้ครับความชั่วร้ายของเยอรอรัมก็คือว่าเขานั้นแท้จริงเคยเป็นทหารในกองทัพของซุลรมอนก็ถือโอกาสแย่งชิงราชบัลลังก์เป็นกบฏและได้ชนเผ่าเหนือไป10เผ่าครับก็คืออิสราเอลเหลือแค่สองเผ่าให้กับ เลห์โบรัมพี่น้องคงจําได้ชัดเจนนะครับเลห์โบอัมนั้นเป็นลูกของโซโลมอนเหลือสองเผ่าก็คือเบนจามินกับยูดาให้โซโลมอนปกครองครับในสิ่งที่ชั่วช้าเร็วสามที่สุดก็คือเยโรโบอัมนั้นได้ทํารูปหล่อวัวทองคำสองตัวให้คนอิสราเอลกลับไหว้วตัตถุประสงค์ก็คือว่าไม่อยากให้คนอิสราเอลนั้นต้องลงมาถวายบูชาพระเจ้ายาเวพระเยโฮวาอย่างอิสราเอลที่กรุงเยรูซาเล็ม นั่นแหละครับคือปัญหาและเป็นปัจจัยที่ทําให้เขาสร้างวัวทองคำสองตัวขึ้นมาแล้วให้คนอิสราเอลไปกราบไหว้บูชานะครับไม่อยากให้คนลงไปน้มัสการพระเจ้าที่เยรเูซาเล็มแล้วก็ตั้งตัวหนึ่งครับที่เบตเอลอีกตัวนึ่งที่เมืองดานนั่นเป็นบาปที่พระเจ้าเกลียดชังที่สุดซึ่งบัญญัติไว้อยู่ในบัญญัติสิบประการของโมเสสอย่ามีรูปเคารพต่อหน้าเราพี่น้องคงจําได้พี่น้องครับเยโรโบอัมนั้น แม้ว่าเขาจะพยายามพัฒนาประเทศชาติให้รุ่งเรืองแต่จิตวิญญาณ น, นั้นก็ตกต่ำครับพระเจ้าทรงเกรดชังใสอิสเอียนรูปเขารบในสมัยก่อนนั้นรูปเขารบนั้นเป็นรูปปั้นแต่พระคำพีก็มีความหมายรวมความถึงการที่เรายกย่องอะไรอะไ ร, ะไรที่มีคุณค่าเหนือกว่าพระเจ้าให้เวลามากกว่าพระเจ้า ให้คุณค่าเหนือกว่าพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นสิ่งของชื่อเสียงบุคคลหรือคนรักทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายก็สามารถที่จะเป็นรูปเคารพในสมัยใหม่ได้พี่น้องครับอย่าลืมครับพระกัมพีบันทึกว่าอย่ามีพระเจ้าอื่นใดเหนือจากนอกเหนือจากเรา อย่าทำรูปเคารพสำหรับตนอันนี้บันทึกไว้อยู่ในพระธรมรมอะยพ บ, บทที่20ิข้อ3นอกจากเยโรอัมนั้นสร้างวัวทองคำา2ตัวเขายังทำตัวเป็นปุโรหิตถวายเครื่องบูชาเองด้วยอันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมหนึ่งพงย์บทที่12ซึ่งเราได้กล่าวไปแล้วนอกจากนั้นครับยังแต่งตั้งปุโรหิตจากคนที่ไม่ใช่ตระกูลเลวีครับใครอยากจะเป็นปุโรหิตก็แต่งตั้งได้หมดเลยนะครับ ดังนั้นปุโรหิตก็กลายเป็นของที่สามัญธรรมดาทั่วไปไม่ได้ถูกคัดสรรไม่ได้ถูกเลือกไม่ได้มีชีวิตที่ดีไม่ได้มาไม่ได้ถูกฝึกฝนไม่ได้มาจากาเผาเลวีและเขากําหนดเทศการตามใจชอบเทศการเพื่อที่จะสร้างประเพณีใหม่สร้างวัฒนธรรมใหม่สร้างอาณาจักรของตัวเองพี่น้องครับสิ่งต่างเหล่านี้ครับ แท้จริงแล้วมันเกิดขึ้นในอดีตอยู่แล้วนะครับถ้าเรามองกลับไปในประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลตอนที่อิสราเอลนั้นออกมาจากอียิปต์อาโรนก็สร้างวัวทองคำนะสมัยที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารนั่นนะครับสร้างตอนโมเสสไม่อยู่โมเสสขึ้นไปเฝ้าพระเจ้าที่ภูเขาซี น, นและพระเจ้าได้ลงโทษพวกเขาพวกที่สร้างและกราบไหว้รูปเคารพแปลว่าโมเสสได้ขอ การยกโทษในสมัยต่อมาก็เช่นเดียวกันครับผู้นิจฉัยเขาก็ตั้งโปรหิตเองขึ้นมาและไม่รักษาเทศกาลที่พระเจ้ากําหนดไว้สิ่งเหล่านี้ครับเป็นบทเรียนที่พระเจ้าได้เคยให้ไว้กับอิสราเอลแล้วเป็นอุทาหรณ์เป็นสติเตือนใจเตือนสติพวกเขาแต่ว่ายังไงก็ตามครับพวกเขาก็ยังทําบาป เช่นเดิ ม, เ, ดมเรื่องเดิ ม, ดมพี่นักครับเราจะเห็นนะครับว่าความบาปนั้นไม่ได้หนีไปจากคนของพระเจ้านะครับมันวนเวียนที่จะหลอกลวงที่จะล่อลวงคนของพระเจ้าให้ทำบาปอยู่ตลอดเวลาครับเมื่อคนของพระเจ้าพลาดไปแทนที่จะมองพระเจ้าแทนที่ให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางแทนที่จะเชื่อฟังดารงตนอยู่ในธรรมบัญญัติของพระเจ้านี่คืออุทาหรณ์ ที่เตือนสติเตือนใจพวกเราครับถ้าชนชาติอิสราเอลไม่ทําผิดบาปไม่ทําผิดบาปซ้ําเก่าๆในเรื่องเก่าๆ เ, เรื่องเดิมๆพี่น้องครับก็เขาก็คงจะได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าความช่วยเหลือจะมาจากพระเจ้ามาถึงลูกหลานที่เขากลับใจแต่ไม่มีสักคนเดียวที่กระทําสิ่งที่พอพระทัยพระเจ้า ทุกคนก็ทําตามเยเรวอมต้นแบบของกษัตริย์ที่ชั่วร้ายจึงนําความหายนะครับจึงนําความตกต่ํานําความเสื่อมได้นําการทําลายมาถึงอาณาจักรฝ่ายเหนือทั้งหมดในที่สุดแล้วถ้าเรามองดูที่จุดปลายครับอาณาจักรฝ่ายเหนือนั้นจะถูกอัลซีเรียเข้ามาทําลายในอีกไม่กี่ร้อยปีต่อมาแล้ว คนเหล่านั้นครับก็ศูนย์พันศูนย์หายไปกลายเป็นชาวสมาเรียในสมัยต่อมาขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะรักษาเผ่าพันธุ์พงพันธุ์แห่งความเชื่อซึ่งหลายหายท่านเป็นบรรพบุรุษแห่งความเชื่อของลูกหลานของเรานะครับบางท่านอาจจะมีบรรพบุรุษแห่งความเชื่ออยู่หลายรุ่นหลายสมัยมาแล้วขอให้เราที่จะรักษา อย่าให้ลูกหลานของเราไปกลับไว้ลูกเขารบกรับรักษาความเชื่อของศรัท ธ, ธาไว้และก็หากว่ามีผู้ใดไปกลับไว้ลูกเขารบแล้วก็ขอพระเจ้าช่วยเขาให้เขาที่จะกลับใจใหม่ครับเพื่อที่พระพรของพระเจ้านั้นจะไปถึงลูกหลานเลนของเราครอบครัวใหญ่ของเราคือคริสตจักรและจะมีผลกระทบยิ่งใหญ่ต่อสังคมอย่างแน่นอนอามน